เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวคุยในเรื่องของวัตถุวัตถุประมาวัตถุประมาสูตรก็คือว่าด้วยข้ออุปมาด้วยพาในพระสูตรนี้พูดถึงตอนที่พระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าประทรับที่เชตวันอารามของท่านนาถาพินิ迦เศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีนั่นแหละพระเจ้าก็ประชมุม เรียกภิกษทุทั้งหลายมาตรัสแล้วก็อุปมาว่าช่างย้อมผ้าย้อมผ้าเนี่ยอาจนำผ้าที่โซกเปกเปือเป้อนใส่ลงไปในน้ำย้อมสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าที่โซกโปกนั้นเมื่อเอาไปย้อมเนี่ยชื่อว่าผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีที่ไม่สดใสที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นผ้าที่ไม่สะอาดไม่ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมอง ทุกขติเ ป, เป็นอันหวังได้ฉันนั้นแล้วก็บอกช่างย้อมผ้านำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงไปในน้าที่ย้อมสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูผ้าผืนนั้นจะเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสเป็นที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรกเพราะเป็นผ้าที่สะอาดชั้นใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ที่กพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ ก็อธิบายในเรื่องของครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของทุคติที่มีความหมายอยู่2ประการซึ่งบอกว่าประการแรกก็คือการปฏิบัติอันเป็นทุกที่มาจากคาว่าคำอนังประวัติอนังคติหรือทุกขาคติทุคติการปฏิบัติอันเป็นทุกข์ข้อหมายที่2ก็คือการปฏิบัติที่นารังเกียจคุชติหรือคุชิตาคติทุค ต, ตินี่ทุนี ความหมายก็ว่าน่ารังเกียจคติหมายถึงการปฏิบัติฉังนั้นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์กับการปฏิบัติอันน่ารังเกียจทุกข์ที่แปลว่าน่ารังเกียจคติบางทีก็แปลหมายถึงพบก็ได้ตามความหมายแรกก็คือจิตเศร้าหมองแล้วก็ด้วยกิเลสเศร้าหมองด้วยราด้วยอุบกิเลสสิมีอวิชาาชาวิสมาโรพาเป็นต้นบุคคลเมื่อทาจิตเศร้าหมองแล้วก็เป็นอัน บุคคลนั้นก็ทํากรรมอันเป็นทุกข์หรือทํากรรมที่น่ารังเกียจด้วยอํานาจของกิเลสนี่ความหมายแรกฉะนั้นในการปฏิบัติของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อกิเลสมีอภิชาวิสมะโลภะหรืออุปกิเลสเกิดขึ้นในใจพออุปกิเลสเกิดขึ้นมาปุ๊บสัตว์นั้นก็ทํากรรมอันเป็นทุกข์หรือสัตว์นั้นทํากรรมที่น่ารังเกียดที่เป็นใบ ก, กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมที่น่ารังเกียจเหล่านั้นแหละก็าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์และเป็นการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นส่วนความหมายหลังนะบุคคลย่อมไปเกิดในทุกขติด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติอันน่ารังเกียจก็คือทุกขติที่หมายถึงภูมิเลยภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากความลําบากก็หมายถึงนรก1สัตว์เดรัจฉานหนึ่งอสุรกะเปรและกอสุรกายนี่นะ ส่วนถ้าตรงกันข้ามคือการปฏิบัติอันเป็นสุขและการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจก็ตรงกันข้ามนี้แหละก็คือตราบใดถ้ากิเลสไม่เกิดอุปกิเลสไม่เกิดแต่เป็นเ้นสมาธิปัญญาเกิดขึ้น <S <S 1> <S 1> ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นสุขหรือปฏิบัติที่ไม่ไม่น่ารังเกียจเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ามีในความหมายแรกในความหมายที่2ก็เป็นการสุขติก็เข้าถึงสุขติ สุคติในความหมายที่สองก็หมายถึงการไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างสวรรค์หชั้นแล้วก็พรหมภูมิอีก20ิชั้นตรงนี้ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็วันก่อนอธิบายเรื่องการเหตุที่ทําให้จิตเศร้าหมองมีทุคติเป็นอันหวังได้ก็หมายก็ว่าทุคติเป็นอันหวังได้อย่างนี้ว่าเขาย่อมไปสู่ทุคติภูมิแน่นอนจะไม่ไปสู่ภูมิอื่นก็หมายความว่า อุปกิเลสก็มีอะไรบ้างมี16ชนิดอภิชาวิสมะโลมะพระความโลภที่ไม่สมบเสมอ ค, อคือความละโมบ พ, พยาบาทความไม่พอใจโกธะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธหรือจองเวทนี่มัคขะก็การลบหลคุณท่านปราาก็คือการตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตนีมายาตรงคะตรงตัวเลยนะมายมญาเนี่ย เจเลเเรศาถยะโอโอวดทำผ้าหัวดื้อสารำผ้าก็แข่งดีมานะก็ความถือตัวอติมานะโดมินท่านมาทะความมัวเมาประมาทะาก็ความประมาทภิกษุผู้ผู้ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ได้นี่แหละนะโอุปกิเลสก็เกิดขึ้นเมื่อวานก็เลยเมื่อวันก่อนก็เลยพูดถึงในเรื่องของตัวกิเลส ท, ทั้งหมดเลยอุปกกิเลสนะ พูดตั้งแต่อภิชาวิสมะโลภะความโลภนี่แหละตัณหาที่กระทาสมบัติทั้งหลายของผู้อื่นนีเป็นของตนมีการแสวงหาเป็นต้นอันนั้นก็ว่าไปตามลำดับแล้วก็มาพูดถึงโทสะใช่ั้ยความดุรา้ายกล่าวไปแล้วพูดถึงเรื่องโกทะความโกรธความโกรธกับความดุร้ายมีการกระทาซึ่งความอาฆาตเป็นกิจแล้วก็มีความปรทุสร้ายเป็นปจุเป็นอาการปรากฏ แล้กพูดถึงอุปนาหะพูดได้อย่างอุปนาหะพูดแล้วผูกโกรธไว้อันนี้เป็นความโกรธที่เกิด ข, ข, ข, ขึ้นข้างแรกนะเป็นโกระถ้าเกิดขึ้นข้างหลังๆก็เป็นอุปนาหะคือการผูกโกรธความค้นผูกโกรธก็มีการไม่สลัดทิ้งมีการไม่สลัดทิ้งอันแรกคือคือผูกไว้มั่นคงอันที่สองไม่ยอมปล่อยเป็นกิจ แล้วก็มีการเข้าไปผูกไว้เป็นผลปรากฏด้วยสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความโกรธที่มีในการก่อนความผูกโกรธมีในกายหลังต่อมาเนี่ยสองอย่างเป็นอย่างเงี้ยประการต่มามัรคขะก็มีความรบหลู่คุณทั้งหลายของบุคคลอื่นไปนลักษณะมีการทำคุณของบุคคลเหล่านั้นให้พี่นาฏ แล้วก็มีการปกปิดคนของผู้อื่นเป็นอาการปากฏมีไหมกิเลสตัวนี้เรามีไหมรัลบรู้คุณเคยไหมมีไหมกิเลสตัวนี้มีเยอะไหมไม่แรงไหมประราสาละ่ะมีการถือคู่เคียงเป็นลักษณะมีการทำคุณทั้งหลายของตนให้เสมอ กับคุณทั้งหลายของบุคคลอื่นเป็นกิจบ ท, ทีมีคนเขายกย่องคนนั้นมีความรู้มากแล้วก็โอ้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอๆกันเนี่ยแล้วก็มีแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเป็นรักนี้ก็เรียกว่าเป็นปราศาอิสามีการทำลายอันนี้บรรยายไปหรืยงัง อิจฉาเนี่ยมีการทําสมบัติของบุคคลอื่นในี่สิ้นไปแล้วก็ทนไม่ได้ต่อการที่บุคคลอื่นประสบความสําเร็จมีการเสียยิ้หน้าด้วยนะคือเป็นปฏิปักษต่อคือไม่ค่อยยินดีกับคนอื่นบุคคลคนนี้เพราะอิจฉานี่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเห็นคนอื่นเขาสวยกว่าดีกว่าประสบความสําเร็จเขาฉลาดกว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากกว่า เขมีความสามารถหลายอย่างกว่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยก่บอมมีไหมตัวนี้มีไม่มีอิจฉาเนตัวไหนเด่นอิจฉาเด่นไหมตัวลิยานี่เด่นไหมโทสอิสาไม่เด่นเลยจค่อยตามมาดูรายละเอียดนะนี่ไปเร็วๆก่อนก่อน แล้วก็มัชชริยะมัชชริยะมีไหมมีการซ่อนเลนสมบัติของตนเป็นลักษณะมีความทนไม่ได้ความที่สมบัติของตนเป็นสารนันนะห่วงห้องไ ม, ม่เวลาน่อ ย, อยูีห้องห่วงไหมเราไปอยู่ในที่ไหนห่วงไหมเช่นที่บ้านเราไปนอนปุ๊บห่วงไหมที่ตัว ท, ท, ที่เราเคยนอนใครแย่ง แล้วเราไปนอนที่ไหนเลีไหมเต็มย่างห้องก็เล็กกว่าใช่าหมอ๋อมีความทนไม่ได้ความที่สมบัติของตนเป็น สาธารณะกับบุคคลทั้งหลายสยิวหน้าโดยนะโดยการทำโดยการทำความที่สม บ, บัติทั้งหลายของตนในเ็นสาารนะโอ้โหรับไม่ได้เลยมีความเป็นเหมือนเสื้อเกราะในธที่บายไปแล้วไม่อยากสลัดออกเกาะไว้แน่นกันทั้งครั้งก่อนก็พูดในเรื่องของอาวาสามัจจริยาเป็นต้น หวงถิ่นหวงที่อยู่หวงพวกพ้องเป็นกุ ล, ละหวงแล้วก็ลาภสการะผล mm hmm. ประโยชน์แล้วก็เกียติคุณหวงเกียติคุณแล้วก็หวงธรรมะหวงข้อมูลความรู้ประการที่9มายาพูดได้ยังมีการปกปิดบาปกายทุจริตวิจีทุจริต มโนโทุจริตที่ตนทำไว้แล้วเป็นลักษณะเห็นก็คนมายา ก, กากลายเป็นการปิดบาปเราเป็นคนเวลาทำบาปแล้วกล้าเปิดเผยไหมกล้าไมยิ่นมีบาปไว้ทำบาปไว้เนะี่ยมีบาปอะไรบ้างไหมที่ยังไม่ได้สารภาพเปิดเผยมีไหมมีไม่มีเวลาทำบาปปุ๊บ โอ้เขาเห็นเพื่อนพรหมอาจารย์ทั้งหลายในะเรมาเปิดเผยเลยเออท่านครับผมเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นห น, นี้บอกคุณที่มันไม่คุที่ตนเองปิดไว้กล้ามาเปิดเผยแบบนี้ถ้าเปิดเผยได้นี็ก็ทําลายอะไรทาลายมายานะไอ้เจ้าเล่ยตัวนี้ทําลายทิ้งไว้ได้มีการซ่อนเล้นบาปที่ตนกระทาไว้แล้วนะั่นแหละเป็นกิจเลยนะแล้วก็กบเกลื่อนที่ตนทําบาปไว้แล้วเนะี่ยเป็นเป็นผลปรากฏ กบเรือนมีไหมข้อนี้มีไม่มีถ้ามีกลุ่มพวกนี้ระวังนะตายไปไอ้เนี่ยกลุ่มบาปพวกนี้จะเป็นเหตุเป็นเกิดเป็นหญิงชาติต่ตอๆถ้าอบถ้าเป็นไ ม, ไม่ไม่ลงนรกก็เป็นผู้หญิงาสาเทยยะก็มีการประกาศคุณ ประกาศศีลสมาธิปัญญาที่มันไม่มีอยู่ในตนเนี่ยเป็นลราชอบประกาศคุณที่มันไม่มีจริงสาเถยยะโอ้โอวดแล้วก็มีการพูดเปล่งขึ้นมาและข้อคุณทั้งหลายที่มันไม่มีอยู่เหล่านั้นและเป็นกิจพูดออกมาเลยนะเราดีอย่างนั้นเรามีความสามารถอย่างนั้นเราเก่งอย่างนั้นทั้งหลายนี่กษาเถยยะทำคุณทั้งหลายที่มันไม่มีอยู่จริงให้ปรากฏด้วยการ แม้ด้วยการทั้งหลายทั้งศรีระทั้งแสดงอากับกิริยาเอ่ยคำพูดการกระทําทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวโอหันติสาติเอาข้อที่11บสาธรรมพระมีความลำพองขึ้นคือภาวะที่กระด้างและกระหยาบธรรมพระเนี่ยเป็นกลุ่มตระกูลทิฏฐิมณนะจิตจะพองขึ้นจิตจะกระด้างขึ้นจิตจะหยาบขึ้น มีความประพฤติที่ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อใครหรอกคือมีความประพฤติที่ทำพระเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้เออไม่เชื่อฟังก็คือไม่มีความประพฤติที่มีลมออกแล้วคาว่าลมออกแล้วก็นิวาตะลม เป็นผู้มีลมออกแล้วเนี่ยเหมือนอท่านอาจารย์สถานเนี่ยเขามีชื่อว่าพระครูนิวาสธรรมบาล น, นิวาตาพวกนี้เขาแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่มีลมออกแล้วเขามีลมออกแล้วนี่แปลว่าโดยโดยนันแปลแป ล, แปลตามพยัญชนะถ้าแปลออกศัพท์หน่อยก็คือเป็นคนที่ไม่ ไม่พองไม่ยกตนไม่พองตนเป็นคนที่ไม่กระด้างเป็นคนที่ไม่หยาบบางคนชอบยกตนชูตนนะนี้เหมือนพวกมีลมเหมือนอึงอึงชอบพองตัวเองใช่ไหมลำพองตัวเองใช่ไหมอึงนะพองตัวเอง ค, อคนบางคนเป็นคนที่มีลมอะลมไม่ออกก็คือพองตัวเองก็หมายความว่ า, วามีกิเลสมีความหยาบมีความกระด้างในใจ มีความหยาบมีการยกตนมีมานะมองออกไ้ยมีมานะเด่นมีมานะเด่นแต่ย ก, ยกแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นคนอื่นพูดยังไงไม่เชื่อฟังอไม่เชื่อฟังแล้วก็มีภาวะที่เป็นคนที่ไม่อ่อนโยนเป็นเป็นผลปรากฏเห็นได้ชัดก็คือเป็นคนไม่อ่อนโยนบอมเป็นคนอ่อนโยนไหฮะ อ่อนโยนหรือไม่อ่อนโยนในใจเป็นคนอ่อนโยนรับฟังคนเชื่อฟังเป็นคนที่ว่าง่ายสภาพจิตใจอ่อนโยนเป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมาธิเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับเมตตาการุณาหรือว่ามีทิฏฐิมีมานะขึ้นฟังไปงั้นแต่ใจไม่รับเป็นแบบไหนมีแม่ตัวธรรมะนี่เยอะไหม อันนี้มีเป็นปัญหาด้านจิตใจเนี่ยมีปัญหาด้านจิตใจไอ้ความภาวะที่ความที่จิตกระด้างหยาบเนี่ยอันนี้ต้องแก่ น, นี่แปลว่าเรามีปัญหาด้านจิตใจแล้วมานะพวกนี้วิธีฝึกฝึกยังไงฝึกให้เป็นคนมีจริยธรรมนะมีวัฒนธรรมมีการประพฤติปฏิบัติอ่อนโยนอ่อนน้อมทั้งหลายนี่ฝึกนะวิธีแก้ตัวเองนี่แปลว่าเรามีทำผ้ า, าเยอะ สรารำพะก็มีความยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งการกระทามันเป็นลักษณะก็คือมีวความเป็นข้าศึกต่อผู้อื่นมีความไม่เคารพอันนี้สรารำพะนี่มันมันมั น, ม, นมันมากกว่าธรรมพะอีกนะสารำพะได้ศัพท์แปลว่าแข่งดีสารมพะเนี่ย ม, มันมีแข่งดีที่เป็นกุศลกับแข่งดีที่เป็นอกุศลในที่นี้เป็นอกุศลสารัมภะ เช่นเห็นคนอื่นเขาให้ทานทอนี้ก็แข่งคนอื่น อ, อ, อิสาเนี่ยมันมันมันอิสามันการทำสมบัติของผู้อื่นมีการทำสมบัติของผู้อื่นลิษยาเนี่ยเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันมันทนไม่ได้แต่แข่งดีเนี่ยอิสารำพาเนี่ย คำว่าแข่งเนี่ยมันหมายกว่าว่าเช่นนายเห็นเนนบอมท่องปฏิโมกด้ทองอวดนี่ยไม่หรอกประเด็นคือว่ายัางไงยังไงเอาชนะเขาเอาชนะเขายกตน อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแข่งดีอย่างมันคนละเรื่องแข่งดีที่เป็นกุศลคนละเรื่องนะเช่นว่าสัมมาเนธท่องปฏิโมกได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างเราเนี่ยมันเป็นคนเกียรติค้านเยอะอย่าง น, นั้นเลยเราจะต้องไม่ท่องเฉพาะปฏิโมกเราจะท่องให้มากกว่า น, นั้นเพื่อทำลายกิเลส ต, ตัวเองมันคนละเรื่องกันแบบนี้อันนี้เป็นแข่งดีที่เป็นกุศลเน้นบอมไปให้ทาน ยกไปให้ทานวลาถาดสองถาดอย่างเรามันต้องให้สัก5้าถาดถึงจะทําลายตนีในใจได้เนีย่ยคนละเรื่องนะแข่งดีแบบนี้เป็นกุศลแข่งดีที่เป็นอกุศลนี่มันสารรำพาตัวนี้เป็นอกุศลมีความเคารพมีความไม่เคารพเป็นเป็นผลปรากฏมาเนา ะ, ะมีความทะนงตนด้วยการทั้งหลายว่าประเสริฐกว่ามีการ ทำว่าเป็นของเราเป็นต้นอะนี้เป็นเป็นอาทิเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าภาวะที่ลำพองนเป็นมันจะมีมานะอติมานะมีความทนมีความทนงอย่างยิ่งและมีการกระทำว่าเป็นเราเกินจะเปรียบเป็นอาการเป็นเป็นกิจด้วยแล้วก็มีอติมานะเนี่ยจะจะขยายมานะให้ฟังมานะ ตัวตัวมานะนีเนเ่เป็นกิเลสนะเป็นกิเลสในกลุ่มของมานะเนี่ยอยู่ในกลุ่มของโลภะทิฏฐิแล้วก็มานะใช่ไหมโลภะทิฏฐิมานะกลุ่มอกุศลเนี่ยที่เป็นมานะทั้งหลายเหล่านี้ ในด้านของโลพาทิฐีแล้วก็ตัวกลุ่มมานะมานะนี่เป็นมีความเยื่อยิ่งจองห้องลาพองตนนี่แหละเป็นเป็นลักษณะเดี๋ยววันนี้ขยายมานะนิดนึงมันจะทำความเข้าใจยากหน่อยตัวมานะนี่คนจนใหญ่ก็จะไปเข้าใจกันผิดว่ามานะเป็น วิริยสเนียเป็นอุสาหาสะสเนียนี่ก็ดีอ่ะมานะเนี่ยที่จริงมานะที่เป็นอกุศลลักษณะก็แปลว่าเยื่อยิงมีความทน o n ตนทําให้เกิดความเยื่อยิงจองหองโดยการเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นและสิ่งอื่นเป็นการถือตัวเรามีความสําคัญกว่าคนอื่นหรือคนอื่นมีความสําคัญกว่าเราก็ได้นี่เป็นการยกตนเปรียบเทียบตน มันก็จะมีลักษณะมานะหลายอย่างนะที่ว่าอุณะตะลักคโนเนี่ยเยื่อยิงจองหองเนี่ยแหละลำพองตนเป็นลักษณะด้วยเวลาสภาพมานะเกิดขึ้นก็มีอาการเย่อยิงจองหองลาพองตนโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วยนะก็มีการถือตนให้แตกต่างไปจาก บ, บุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นเสมอเช่นถือว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเสมอเขาเขา เขาเรวกว่าเราหรือเราดีกว่าเขาสิ่งทั้งหลายทั้งหลายเป็นต้นอะไรเนียจะมีมานะก้าวทีนี้ประการที่2ก็คือมีการส่งเสริมสัมยุต ธ, ธรรมเป็นกิจก็หมายความว่าอย่างไรเวลามานะเกิดขึ้นเนี่ยย่องเสริมเสริมสนับสนุนธรรมะคือจิตเจสิกที่เกิดพร้อมกับตอนนี่มีความลำพองมันลำพองทั้งเวทนาที่เกิดร่วมกับลำพอง สัญญาความจำก็มีลงความลําพองเป็นต้นเลยนี้สังขารหรือจิตใจทั้งหลายเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีความลําพองมีการยกตนเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นอยู่เสมอทําให้ขาดอะไรขาดมุทิตาคือความอ่อนน้อมนะเข้าไปหาบุคคลอื่นคนที่มีมานะจะไม่มีการอ่อนน้อมมีอาการฝักฝ่ายตรงข้ามหรือสิ่งที่ตน ยกตนเข้าไปเปรียบเทียบอยู่เสมอไม่สามารถน้อมเข้าไปเป็นฝักฝ่ายเดียวกับบุคคลอื่นได้ใช่ไหมการแบ่งฝักฝ่ายทันทีมานะเนี่ยเป็นเห็นการแตกแยกเลยนะคนที่มีมานะเยอะๆประการต่อมาคือมีความประสงค์จะยกตนให้สูงสุดเหมือนธงชัยที่เขาชักไว้เหนือธงทั้งหลายธงชัยนั่งอยู่เหนือธงอื่นใช่เหมือนงั้นน่ คือสภาพของมานะเนี่ยมีสภาพที่ต้องการที่จะฟู ข, ขึ้นให้เลิศเลอ ก, กว่าสภาวธรรมเราอื่นเนี่ยเมื่อจิตใจมีต้องการจะสูงขึ้นต้องการจะเลอขึ้นเลิศ ก, กว่าคนอื่นเนี่ยเมื่อบุคคลใดถูกมานะครอบงำก็ทําให้บุคคลนั้นพยายามที่จะยกตนให้สูงกว่าบุคคลอื่นให้เด่นกว่าบุคคลอื่นให้ดีกว่าบุคคลอื่นต้องการความโดดเด่นต้องการดี หรือต้องการชั่วเช่นต้องการดีกั่บุคคลอื่นต้องการชั่วเร็ว3โหดร้ายกวบุคคลอื่นมันได้ทั้งนั้นแหละมานะเนี่ยหรือเป็นบุคคลที่ชอบเรียกร้องความสนใจจากบุคคลทั้งหลายให้มาสนใจตนเองหรือให้มาสนใจพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือไม่ดีเรียกร้อง<ๆ>เคยเป็นไหมเช่นที่ฉันเป็นแบบนี้เห็นพ่อแม่ บางที่ก็อยากจะทําให้พ่อแม่เห็นตอวเนี้ยเนี่ยพ่อแม่จะได้มาสนใจใเราเกิดเป็นไหมเราตอนเด็กอยากมันกระสนใจดีนะเล่นซะเลยเล่นแบบแตะนู้นแตะนี้ว <c oughs> ่างฮะนีมานะจะเป็นแบบนี้การกระทําที่เรียกร้องความสนใจบางคนแล้วก็มองไม่ออกใช่ไหมว่าเด็กคนนี้ชอบเรียกร้องความสนใจนะ บางคนก็ทําดีมากเลย อ, อยากให้คนลคนชื่นชมบางคนเอา้ามันทําดีไม่เป็นทำชั่วซะเลยให้คนละคนชื่ไปทํามาเลยติดเป็นอัธยาสาัยเลยไปอยู่กับใครก็ชอบเรียกร้องความสนใจเป็นไหมบอมมีไหมตัวเนี้ยกิเลสตัวนี้มีไหมมันเป็นแนวแนวไหน ยกตนยกตนยิงเรื่องอะไรมีอะไรดีถึงยกที่ิว่าในใจตนเองมีของดีอยู่คืออะไรมีความสามารถในการอะไรที่มองว่ามันเป็นจุดขายเราว่าเรามีจุดเด่นยกชูอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือตัวไหนความรู้ความสามารถความจำความเข้าใจหรืออะไรมีไหม อะไระหาตัวเองให้เจอนะจุดนี้จะได้แก้ได้ก็ตรงนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ชอบร้องเรียนนบางคนนะเรียกร้องความสนใจหรือบางทีก็กระทำทั้งหลายเหล่านี้ให้ทุกคนมาสนใจพิติกรรมในการที่ตนเองแสดงออกเป็นทางดีก็ได้ความชั่วก็ได้เนี่ยลักษณะที่คนมานะ <S <S ข้อสุดท้ายก็คือมีโลภะที่ประกอบนั่นแหละ พร้มด้วยความเห็นผิดด้วยเป็นเหตุการ์เกิดนะมีทั้งความเห็นผิดมีทั้งมานะนี่แหละมานะนี่นะมีสภาพที่ตรงกันข้ามกับทิฏฐิคือสภาพตรงกันข้ามกับไปยึดติดผูกพันกับสิ่งที่ตนเองเก็ไปยึดในความเห็นเนะี่ยส่วนมานะนี่มีสภาพที่เป็นไปโดยการยึดถือโดยความเป็นฝักฝ่ายตรงกันข้ามบุคคลอื่นที่ตนก็ไปรับรู้ แตกแยกนั่นแหะไอ้ตัวนี้โดยการเยื่อยิงไม่น้อมก็ไปหาสิ่งนั้นมานากับทิฏฐิจึงเกิดร่วมกันในจิตดวงเดียวกันไม่ได้เมื่อทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมกันกับทิฏฐิกตัสส ม, มยุรณ์อย่างแน่นอนแล้วมานาจึงไม่ไปเกิดร่วมมานาไปเกิดกับโลภะวิบยุทธ์เข้าโดยความที่ทยานอยากระยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนเป็นขั้นพื้นฐาน มานะเนี่ยมีความยึดมั่นตัวตนเป็นพื้นฐานเพราะเขาเกิดร่วมกับโลภะที่เป็นทิฏฐิวิปยศก็คือในนั้นไม่มีไม่มีทิฏฐิประกอบแต่เกิดเป็นบางครัง้งบางคราวนะในขณะที่มีการเปรียบเทียบระหว่างตนกับบุคคลอื่นเมื่อไหร่ถึงจะเกิดถ้าไม่มีการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นจะไม่เกิดเช่นต้องการเรียกร้องความสนใจปุ๊บนี่เปรียบเทียบแล้วหรือต้องการทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนะ เพื่อต้องการเปรียบเทียบว่าเนี่ยเขาเราดีกว่าเขาเป็นผู้เป็นผู้เลือดกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิอดกว่าเขาเป็นผู้เลือดกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเป็นผู้เลือดสำคัญตัวว่าแย่กว่าเขาเป็นต้นอะไรนี้งั้นเขาจึงบอกว่าเกิดไม่สม่ำเสมอมานะมีสองประเภทนะเป็นยาถาวะมานะก็คือการถือตน ตามเหตุที่เป็นจริงที่มีอยู่จริงเช่นตนดีกว่าเขาเนี่ยสาคัญว่าดีกว่าเขาเนี่ยหรือต้นเสมอเขาก็สําคัญว่าเสมอเขาตนเร็วกว่าเขาก็สําคัญต้นว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นมานะที่เป็นไปตามความเป็นจริงเราเป็นกลุ่ม hm นี้ไหมกลุ่มมานะที่เป็นไปตามความเป็นจริงไหมคือเรารู้มากกว่าเขาแต่เราก็สําคัญตอนว่ารู้มากกว่าเขาแล้วก็เราก็รู้มากกว่าเขาจริงๆเป็นไหม เราหรือเราเสมอเขาสําคัญตนว่าเสมอเขาหรือเราเรวกว่าเขาสําคัญตนว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยแต่มันเป็นไปตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นทหารจะเป็นตำรวจฉันเรียนจบเ <c oughs> อแบกฉันจบอะไรออย่างเงี้ยไปยกตอนอย่างเงี้ยคือมันเป็นตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็เกิดยกตนว่า ฉ, ฉันดีกว่าเขาฉันแย่กว่าเขา ตามความเป็นจริงนั้นนะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็ น, น, ปนจังเป็นผู้ว่าเป็นประหลัดจังหวัดเป็นนายอำเภอเนี่ยก็สําคัญตนอย่างนั้นจริงๆประการที่2คืออยาถาว่ามานะยาทาว่ามานะคือการถือตนในเหตุที่มันไม่เป็นจริงตนดีกว่าเขาถือว่าเสมอเขาเร็วกว่าเขาแต่ถือว่าเสมอเนี่ยถือตัวดีกว่าเขาก็ดีเร็วกว่าเขาก็ดี ตันเลวกว่าเขาก็ถือว่าดีกว่าเขาเสมอเขาก็ดีเป็นตัวเราเนี้ยลักษณะอย่างนี้การถือที่ไม่ปไปตามความเป็นจริงอย่างยกตัวอย่า ง, างเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่ความรู้สู้ก็ไม่ได้แต่ไม่มจริงหรอกยกเลยเราดีกว่าไปคุยอวดกับเพื่อนแต่จริงๆริอะลึกๆอเรารู้ว่าเราเนี่ยมันสู้ก็ไม่ได้จริงๆมีไหมมาน้าตันเนี้ย มานะมีไม่มีฉะนั้นมานะเนี่ยที่บอกตนดีกว่าเขาถือตัวว่าดีกว่าเขาเนี่ยตนเองมีฐานะมีการศึกษามีคุณธรรมดีกว่าคนอื่นแล้วก็ยังเปรียบเทียบระหว่างตนกับบุคคลอื่นว่าเราดีกว่าเขาไม่มีค่ความรู้ไม่มีใครสู้เรามา้อันนี้ประหยัดเป็นมานะที่ตรงตามความเป็นจริงตนดีกว่าเขา แต่สําคัญตอนว่าเสมอเขาอันนี้เป็นมานะที่เข้าใจผิดตอนเองมีฐานะมีการศึกษามีคุณธรรมเป็นต้นดีๆกับบุคคลอื่นเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเกิดการเปรียบเทียบเรากับเขาปุ๊บมองไม่มีอะไรแตกต่างกันในจัดเป็นมา น, นะนีทีนี้ตนเองเนี่ยถือตอนเองว่าด้อย ก, กว่าเขา ตนเองมีฐานนาฬิการศึกษาคุณธรรมเนี่ยนะดีกว่า บ, บุคคลอื่นแล้วก็เกิดเรียบเทียบระหว่างตนกับบุคคลอื่นเรานั้นต่ำต้อยด้อยกว่าเขาเร็วกว่ายิ่งกว่าเขาเสียอีกอันนี้เทียบลักษณะ น, นี้ก็จัดเป็นมานะประการที่4ี่ก็ตนเสมอเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขา ตนเสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาตนเสมอเขาสําคัญตัวว่าด้อยกว่าเขาไอ้กลุ่มพวกเนี้ยหรือตนด้อยกว่าเขาสําคัญตัวว่าดีกว่าเขาตนด้อยกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาตนด้อยกว่าเขาสําคัญตัวว่าด้อยกว่าเขาอันนี้ลักษณะมานะจะมีเก้าอย่างนี่แหละเหตุที่ทําให้เกิดมานะสประการนี่หนึ่งมานะเกิดเพราะลาบเมื่อบุคคลมีลาบสกาละมีทรัพย์สมบัติ ก็เกิดความยิ่งลำพองตนว่าตนไม่ต้องไปสนใจใครบุคคลทั้งหลายต้องมานอบน้อมตนเองเพราะเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่ลาภสกาละเออเรารวยกว่าเขาเรามีทรัพย์มากกว่าเขาเนี่ยอ้าวตรงนี้มีไม่ ม, ไมีเห็นต้องไปง้อใครเลยเรามีทรัพย์มากกว่าเขาคนอื่นต่างหากต้องมานอง้อเราเนี่เห็นเกิดมานะนะประการต่อมายศเรามียศถาบรรดาศักดิ์ เ ป, าาเป็นทหารเป็นตำรวจมียศตำแหน่งมากกว่าคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องไปงอคนอื่นต้องมางอเราสิว่าเรามียศฐาบรนาศักดิ์เยอะประการที่สมก็คือเสียงสรรเสริญโอ้เนี่ยเราได้รับเกียรติคุณมากกว่าเขาเสียงสรรเสริญมากกว่าเขาไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องเราฉะนั้นคนเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปอ่อนน้อมถ่อมตอนคนอื่นคนอื่นต่างหากต้องมาอ่อนน้อมถ่อมตอนมาน่าเกิดเพราะความสุขเออเรามีความสุขสบายมากกว่าบอมเป็นไหม คนอื่นช่วเราไม่ได้เราสุขมากกว่าคนอื่นแต่จะเป็นก้อไหนอ่ะนะทําไมนาะเขาถึงหลับได้เราหลับไม่ได้เป็นไหมมานาแบบนี้เป็นไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะเนี่ยมานะมานาเกิดเพราะสุขทีนี้ในเดี๋ยดูในพระสูตร สภาพของมานะเจประการที่จริงใน mm hmm. ในอุปกรณ์ เ, เขายกมานะอติมานะความถือตนกับความโดมินอติมานะโดมินมันยังมีมานะติมานะนะความโดมินด้วยอานาจของความถือตัวโอมานะก็คือความถือตัวว่าด้อยกว่าเขาอธิมานะความถือตัวว่าเด่นกว่าเขาอสมิมานะความถือตัวว่าเรามีเราเป็น มิจฉามานะ ก, การถือตัวเองแบบผิดๆ ด, ดูในพะสูตรเปรียบเทียบเนี่นพยพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมละทํา6ประการนี้ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอรหันตผลทํา6ประการก็คือมานะความถือตัวโอมานะความสำคัญว่าเร็วกว่าเขาอธิ ม, มานะความเย่อหยิ่งอธิ ม, มานะความเข้าใจผิดทำพระก็คือความหัวดือ้อ อตินิปาตะก็คือความดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนเลวดูกรวิคสูตรทั้งหลายวิกษูไม่ละทำห6ประการนี้แหละย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอรหันนะการเป็นพระอรหันไม่ได้ดูกรวิคสูตรทั้งหลายทํา6ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความทําให้แจ้งซึ่งความเป็นอรหันก็คือความถือเป็นฉะไนคือความถือตัวหนึ่งความสําคัญกว่าเลวกว่าเขาหนึ่งความเย่อหยิ่งความเข้าใจผิดความโหมดื้อความดูหมิ่นตัวเองว่าเป็นคนเลวหนึ่ง ทำบการนี่แหลย่อมเป็นพวกเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งอราฐถผลทีนี้ในมานาสูตรบอกว่าจริงอยู่พระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสผู้ที่เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุ น, นั้นน่ขะขจพระอนุนได้สดับมาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มานะ ไม่ยังจิตให้ใคลายจากกำหนัดจากมานะยังละมานะไม่ได้เด็ดขาดย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุผู้รู้ยิ่งกําหนดรู้มานะยังจิตให้ใคลายกําหนัดในมานะละมานะได้เด็ดขาดก็เป็นผู้ที่ควรแต่การสิ้นทุกขพุทธเจ้าตรัสเนื้อความนี้ในพระสูตรนั่นแล้วพุทธเจ้าก็ได้ตรัสคาถาประพันธ์ว่ามูสัตว์นี้ประกอบไปด้วยมานะมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัตทีนี้ ยินดีแล้วในภพไม่กําหนดรู้มานะต้องเป็นผู้มาสู่พบอีกส่วนสัตว์เราใดละมานะได้แล้วน้อมไปในธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งมานะสัตว์เหล่านั้นครอบงามกิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะเสียได้ก้าวล่วงได้แล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเนื้อความนี้พระสุตนโพธิญาแสดงบอกว่าในเรื่องของมานะเนี่ยบุคคลที่จะละมานะได้คือคือใคร พระอรหันต์สรุปก็คือว่าถ้าไม่เป็นพระอรหันต์นี่ละมานะไม่ได้แต่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่างเราก็จะไปละได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเราก็ต้องพยายามที่จะละแต่พระอรหันต์ท่านละได้ยังเด็ดขาดเท่านั้นเองมานะ ประการที่สิบห้าก็คือมะทะมะทะก็เขาแปลว่าอะไรนะภาวะที่มัวเมาแห่งจิตเพราะอาศัยซึ่งมัวเมาในชาติมัวเมาในชาติก็คือความเกิดในตระกูลทั้งหลายเป็นต้นมัวเมาในความไม่มีโรคมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยนะเนี่ยเป็นลักษณะ มีการยางสมยศ ธ, ธรรมทั้งหลายยึดถือซึ่งความมวัวเมาในชาติในตระกูลทั้งหลายเราเนี้ยนั่นแหละเป็นกิตก็คือความเป็นบ้าแห่งจิตนั่นแหละเป็นอาการปรากฏ น, นั้นคนที่เมาทั้งหลายเราเนี้ยมาทะเนี่ยมวัวเมาในพวกบ้าเนียเอ้ยฉันยังหนุ่มแน่นฉันยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ฉันยังมีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนมีความรู้เป็นต้นเนี่ยภาวะที่จิตที่มันบ้าจะเป็นไปแบบนี้ประมาทเนี่ยอันนี้แป็ประมาท ประมาท่าศัพท์นี้มีความปล่อยไปของจิตเอาปล่อยยังไงก็คือเว้นจากสติปล่อยจิตให้ขาดขาดจากสติมีความไม่ระลึกไว้ไม่กํากับไว้การปล่อยจิตไปในกามคุณการปล่อยจิตไปในสีเสียงกิริยลดปว พ, ภพอภิพาณ่าปราถนาน่าใครหน้าพอใจนิบประมาทะ เป็นไหมแล้วก็มีการมอบให้บ่อยๆซึ่งความปล่อยไปของจิตก็ไปแล้วเจอรูปที่สวยๆเสียงที่พอพอกๆกลิ่นที่หอมๆก็ปล่อยจิตไปเรื่อยยนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ประมาทาความประมาท มีถามอะไรัหมประมาณทักจิตตวะที่เกิดขึ้นโดยอรานาจการปล่อยไปยงจิตในการมาคุณนั่นมะมีมีความย่ำบดทศรายซึ่งจิตจิตจะไม่ผ่องใสเพระเจ้าก็ตรตัดว่าเป็นอุปกิเลสเป็นอุปกิเลสแห่งจิตทีนี้ การละอะไรแต่เนี้ยที่เราจะละได้ใครต้องละกิเลสเหล่านี้ได้บ้างกิเลสเหล่านี้ใครละได้บ้างจะละได้ยังเด็ดขาดอภิชาวิสมะโลภะความพิงเลงอยากได้ ความทอมไอ่ความถือตนมานะอติมานะมาทะมัวเมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวนิร่าด้วยอาหะธรรมมักเนี่ย น, นโกทะเอ่ยพยาบาทเอ่ยความโกรธความโผกโกรธทั้งหลายนิร่าร้ายด้วยนา อ, อ, อนาคามิมักความรบหลูท่านความตีเสมออิฉามัฉริยะความตะหนี่มานยาเจ้าเรศสยายยะโอโอวดนิร่าด้วโซดาบดีมัก นี่อ น, นี้ละได้ดโดยสวัสดิาพทิมากอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยะอันนี้ก็เป็นกลุ่มกิเลสหมดแล้วในรายละเอียดไม่ได้ตามเข้าไปลึกเท่าไหร่แต่ีอา้าวประการต่อมาคือว่าภิกษุผู้เป็นอนาคามีย่อมรู้ชัดว่าอภิชาวิสมะโลภะทำให้จิตเศร้าหมองแล้วจึงละอภิชาวิสมะโลภะอันทาให้จิตเศร้าหมองได้ พยาบาทก็ทําให้จิตเศร้าหมองก็จึงละพยาบาทที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้โกธะทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละโกธะที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้อุปนาหะเนี่ยูโกรธเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละอุปนาหะที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้มักขะวนดื่นเนี่ยนะทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละมักขะที่ทําให้จิตเศร้าหมองปราศาดีเสมอทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละปราศาทที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้ อิสาความรติยานี่แหละทาให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละอิสาที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้มัฉริยะความตนนีทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละมัชริยะคือทําให้จิตเศร้าหมองเสียได้มายามายาคือเจ้าเล่กลุ่มพวกนี้พระโสดาบันนั้นละเนะี่ยแล้วก็พระนาคาเนี่ยละเด็ดขาดก็ทําให้จิตเศร้าหมองนั้นเสียได้สาเทยะสาเทยะนี่คตโอ้อวดกลุก่มตระกูลมานะ ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วก็สามารถละสาเยะทับจําให้จิตเศร้าหมองทำพระทําให้จิตเศร้าหมองหัวดื้อเนี่ยละทำพระที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้สารำพระแข่งดีทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ย่อมละสารำพระทําให้จิตเศร้าหมองได้มา n ะทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละมา n ะที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้อติมา n a เป็นอุปกิเลสทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละอติมานะที่ทาให้จิตเศร้าหมองเสียได้มะทะความมัวเมาเนี่ย มต่ความจิตธิภาวะจิตเป็นบ้าเนี่ยแหละประมาณท่าก็ประมาทเป็นอุปเกเรตของจิตแล้วก็ละประมาท่ที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองได้ในการใดภิกษุผู้เป็นผ้านาคามีรู้ชัดอย่างนี้ว่าอภิชาวิสมาราภะทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละอภิชาวิสมาลาภะที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้พยาบาททําให้จิตเศร้าหมองโกธาทาให้จิตเศร้าหมองอุปนาหะทาให้จิตเศร้าหมองมะขะทาให้จิตเศร้าหมองปราศะ ทำให้จิตเศร้าหมองอิสาทำให้จิตเศร้าหมองมัฉริยะทำให้จิตเศร้าหมองมายาทำให้จิตเศร้าหมองสาเถรยะทำให้จิตเศร้าหมองธรรมภาหัวดื้อทำให้จิตเศร้าหมองสารภะทำให้จิตเศร้าหมองมานากระทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละกิเลสเหล่านี้นะไปตามลําดับอติมานะกระทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละอติมานากะทําให้จิตเศร้าหมองมาทากระทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละมาท่าทําให้จิตเศร้าหมองประมาทัทําให้จิตเศร้าหมองแล้วก็ละประมาทัทําให้จิตเศร้าหมองในการนั้นวิสูจนั้น เลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลเจกิเล ต, ตัสโรชอบได้โดยพระองค์เองพระเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาแปดเจรณาสิบห้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าทรงเป็นาศาสสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้อธิบายแจกแจงพระธรรมรัตนะส่วน เลื่อมใสในพระธรรมอย่างแน่วแน่ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับไอ้ไม่ขึ้นกับการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมมาใส่ตนคือน้อมมาประพฤติธปฏิบัติเป็นธรรมที่วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนและก็มีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพาริยสงฆ์ว่าสงสาวก ข, ของพระพูทเมียภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว อริยสงสาวะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอริยสงสาวกบริพาเป็นผู้ปฏิบัติที่ควรนับถือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนี้แหละอริยสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าผู้ควรรับสการะผู้ควรแก่การต้อนรับผู้ควรแก่การรักทัพสินาทานผู้ควรทำอ wing wing ัญชลีกรรมเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายเป็ e. um ตนต้น เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยก็คือการรู้คุณของพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระธรรมรู้คุณของพระสงฆ์เข้าไปเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนี่แหละภิกษุตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยนะไม่หวั่นไหวทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การรู้คุณของพระรัตนตรยอย่างแท้จริงอย่างนี้เ็าเรียกว่าอาเวจจะปสาทะเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนเนะเป็นศรัทธาที่ ไม่วันไหวเป็นศรัทธาที่อย่างรากลึกไปจนถึงปัญญาก็คือพระโสดาบันพระสกอาทาคาพระอนาคาพระอรหันต์แบ่งเป็นแปดแปดจำพวกก็พระโสดาบันพระผู้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งโสดาปิผลพระสกาทาค า, ามีผูาาา้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งสกาทาค า, ามีผลอนาคาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอนาคาคามีผลพระอรหรันต์ผู้ปฏิบัติรู้แจ้งอรหันตผลเนี่ย ภิกษุนั้นได้สละคายปล่อยแล้วก็ละสละทิ้งกิเลสตามที่กําหนดแล้วเธอย่อมเข้าใจเขตคือการละกิเลสเข้าใจผลความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระรัตนตรยัยแล้วก็ได้รับปราโมช์อันประกอบด้วยธรรมะนะแล้วก็เข้าถึงปัจจเจกขณะยาณว่าเราเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าแล้วเราเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมในพระริยสงฆ์เมื่อเธอเกิดปราโมช์แล้วก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติกายก็ย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วก็ย่อมสวยความสุขเมื่อเข้าถึงความสุขแล้วจิตก็ย่อมตั้งมันเธอรู้ว่าเราได้สละเราได้คลายได้ปล่อยได้ละสลดทิ้งกิเลส ต, ตามที่ได้กำหนดมีอภิชาวิสมาราภะเป็นต้นแล้วก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลและได้รับปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะเมื่อใจมีปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อใจมีปีติกายก็สงบเมื่อกายสงบแล้วก็สวยความสุข เมื่อมีความสุขจิตกระต่างมันภิกษุนั้นมีศีลมีธรรมะคำว่ามีธรรมะในที่นั้นคือมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้แม้เธอฉันอาหารที่บินาบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกรปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันอาหารบินาบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยโอ้โหเห็ไหม ฉันอาหารบินาบัดเป็นไปเพื่อปัจจัยแกการได้มรรคผลผ้าสกรปรกเปืเป้อนจะเป็นผ้าสะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ําใสสะอาดหรือทองคําจะเป็นทองคําบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ชั้นใดภิกษุนั้นฉันนั้นมีศีลมีธรรมะก็คือมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้แม้เธอฉันอาหารบินาบาัดมีข้าวสาลีที่เลือกของสกรปรกออกแล้วเนี่ย มีแกงและมีกับข้าวหลายอย่างการฉันอาหารบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรักและผลรวยภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปในตลอดทิศ ท, ที่1อยู่บ้างมีเมตตาจิตแผ่ไปในทิศ ท, ที่2แผ่ไปในทิศ ท, ที่3แผ่ไปในทิศ ท, ที่4ี่เหมือนกันตามวิธีนี้เมื่อเธอแผ่ไปในทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงอนุทิศนั่นแหละ ตลอดทั่วทุกมุมโลกทุกหมู่สัตว์ทุกหมู่เหล่าทุกสถานที่ที่มีตนเสมอกันด้วยเมตตาอันไพรียบถึงความอันยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่แล้วก็แผ่กรุณาจิตเอ่ยแผ่มุทิตาจิตตลอดถึงแผ่อุเบกขาจิตแผ่พรหมวิหารนี่แหละอุเบกขาไปในทิศ ท, ที่หนึ่งอยู่ไปในทิศ ท, ที่2ทิศ ท, ที่3ทิศ ท, ที่4เหมือนกันตามวิธีนี้ เธอแปรในทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงตลอดทึงโลกทั่วทุกมุมหมู่เหล่าในทุกสถานโดยมีตนเสมอกันโดยอุเบกขาจิตอันไปบูณ์ถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีความขอบเขตไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เป็นต้นอันนี้พระเจ้าแสดงเน้นพระสูตรเนี้ยในวัตถุประมาสุออนี้ไล่ลไปตามลาดับนแล้วก็แพร การแผ่เมตตาดังที่ได้กล่าวไว้ในการอธิบายเมตตาจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันก็จงเป็นสุขเป็นถูกเถิดจะได้มีความทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัเหล่านี้นะเนี่ยเมื่อแผ่ไปในลักษณะอย่างนั้นภิกษุที่เป็นพระนาคามีก็รู้ชัดว่า หลังจากเป็นสมาธิแล้วนี่นะก็พัฒนาสู่วิปัสนาปัญญารูปนามนี้มีอยู่โลภะอันซามก็มีอยู่อริยามากมีองค์8อันปานีตก็มีอยู่รู้ชัดวันนี้ทุกเน่ยก็คือรูปนามกัน5เป็นทุกกระแสะชีวิตเนี่เป็นทุกรู้ชัดว่าเหตุให้เกิดทุกก็คือตัณหารู้ชัดอริยามากคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกขรู้ชัดแผ่นิพานอันเป็นความดับทุก พระวิหารสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสาวะภวาสาวะวิชาสาวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าดุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่อาบน้ําสะอาดแล้วด้วยการอาบที่สะอาดด้วยอริยมรรคอยู่ภายในน้ําในพระศาสนานี่เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาณสมัยนั้นน่ยพราหมณ์ชื่อว่าสุนทริกะ พาลัทธวชันนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าได้ทูลถามกับพระพุทธเจ้าว่าท่านพระโคตม ะ, สะเสด็จไปยังแม่น้ำพระหุกาเพื่อส่งน้ําหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าแม่น้ำพระหุกาจะมีประโยชน์อะไรทําอะไรได้สุนทริกกับพาม์ก็กราบทูลว่าคนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ําพระหูกาเนี่ยชำระล้างกิเลสได้คนจํานวนมากถือกันว่าแม่น้ำพระหูกาเป็นบุญยสถานคนจํานวนมากก็ไปลอยบาป ลอยกรรมกันที่ตนเองไปแล้วในแม่น้ำนพหูกาเขาถือกันอย่างนี้นะพระเจ้าก็ได้ตรัสกับสุนทรียกลิกภาและทวาชด้วยคาถาว่าพะหูกังอธิกันอธิกักกันจะคขยังสุนทรียกกังมปิสระสติงปยาคันจะอโธพระมติงนาทีนิจจามปีพาโลปักคันโดกันหะกัมโมนะสุ สุชติบอกว่าคนพาลมีกรรมชั่วคนทํากรรมชั่วที่เป็นคนพาลเป็นคนบาปเนี่ยถึงจะไปยังแม่น้ำพาหูกาท่าน้ําอธิกกัทท่าน้ําขยาท่าน้ําสุนทริกาแม่น้ําชรัสสวดีแม่น้ําขยาเป็นต้นแม่น้ําพาหูกาเป็นต้นก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต่อให้ไปหาแม่น้ํานั้นทุกวันไปอาบน้ําทุกวันมันจะบริสุทธิ์จากกายทุกจริญวิจิตทุกจริญมโนทุกจริญได้ไหมไม่ได้ แม่น้ำสนริกาทาน้ำปยาคะแม่น้ำพภ อ, อุกาจะทำอะไรได้จะชำระคนผู้มีบาปคนที่มีกรรมหยาบช้าผู้ทำกรรมอลาโมในบริสุทธิ์ไม่ได้ภคคุณะกิจภคคุณะเลิกเป็นเลิกดีเสมอสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เสมอสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติอันสมบูรณ เสมอได้สําหรับผู้บริสุทธิ์มีมีกรรมอันสะอาดพรามท่านจงอาบน้ําในาศาสนาของเรานี่เถิดท่านจงทําความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดก็คือบอกว่าเนี่ยน้ำที่สะอาดที่สุดก็จงมาอาบนี่พฤติกรรมที่ไม่สะอาดก็มาใช้ศีลเป็นตัวชําระสิจิตใจที่สกโปกก็ใช้ความเพียรใช้สติใช้ชสมาธิเป็นตัวชําระสิทัศน์ความเห็นที่ยังสกโปกอยู่ก็มา ท, ำำมาทมาําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเครื่องชําระ เธอจะมาอาชมละมาอาบน้ําในศาสนานิถืดแล้วเธอจะปลอดภัยอย่างนั้นเถอะถ้าท่านไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ให้เป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นคนเมตนีท่านจะไปท่าน้ําขยาแล้วจะทําอะไรถึงบ่อน้ํานั้นก็เป็นท่าน้ําขยาของท่านอยู่ดีเป็นตัวเราเนี้ยนะพระคุณณเลิกนี่หมายถึงงานนักศึกษาตะเลิกนะ สำหรับเดือนสี่ที่เป็นการประกอบกับดาวอุตระพละคุณี้ก็คือว่ามีดาวดาวววโตเมียเนี่ยพวกพรามก็ถือกันว่าผู้ที่ชำระหรืออาบน้ําในเดือนนี้เชื่อเป็นการชำระบาปที่ดีที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้า ต, ตรัสอย่างนี้แล้วสนธิเกับพรามทวาชพรามเนี่ยกราบทูลว่าข้าแต่พระท่านพระโคดม ภาษิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมอันแจ่มแจ้งโดยประกาศละต่างๆเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประที่ไว้ในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์เป็นสารณะขอพระองค์โปรดทรงจําข้าพเจ้าเป็นอุบาสกบาสิกาข้าพระองค์จักได้บรรพชาอุปสมบทในศาสนาของพระพุทธเจ้าเธอ ขอบวชเลยต่อมาสุนทริกะภาระทาวาชาพรามเนี่ยได้บรรพชาอุสมบทในสำนักพระเจ้าเข้าไปสู่ที่งเงียบสงัดแต่ผู้เดียวไม่ประมาทภาคเพียนมีจิตมุ่งมั่นไม่นานนักก็บรรลุปเป็นพระรหานั้นยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เข้าถึงอริยมรรคที่เหล่ากุรบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันชอบโดยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ประมจาจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีจบแล้วในวัตถุประมาสูตรเป็นวัสดุที่อุปมาโดยการชําระอุปกิเลสสิบหใจความของวัสดุนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องการชําระกิเลสชำระกิเลสอุปกิเลส16บหก่านก็ฟังตรงนี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยต่อการแทงตลอดนะฮะมองมีอะไรจะถามไหม สงสัยอะไรไหมตรงนี้ในพระสูตรนี้่เราศึกอันนี้เขศึกษาแบบแบบย่อยยองในพระสูตรพอเป็นใจความแต่ประเด็นสำคัญที่เราควรจับตรงนี้ก็คือว่าอย่างประเด็นแรกๆที่ได้กล่าวกันถึงในเรื่องของคติทุติการปฏิบัติอันเป็นทุกข์กับการปฏิบัติอันน่ารังเกียจ ท, ทุกติทุกติทรัพนั้นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์ทั้งหลายก็คือการปฏิบัติที่มันมีกิเลสในขณะที่เราขยับเขยื่อนกระตกายของพวกเราเนี่ยเวลาถ้ามีกิเลสเข้าไปเจือปนเกิดขึ้นมีอภิชาวิสมารโลภะเป็นต้นมีโทสะพยาบาทอุปาณาหาเป็นต้นเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถ้ากิเลสเหล่านี้ เข้าไปเกลือกกลัวในกระแสชีวิตแล้วเนี่ยอันนั้นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีนีความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นทันทีคติอันเป็นทุกข์คติที่น่ารังเกียจการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจเพราะการปฏิบัติที่เป็นทุกข์ที่มีราคาโทสะโมหะประกอบหรือการปฏิบัติที่น่ารังเกียจที่ประกอบไปด้วยพิช่าวิสมะโลภาเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยนีความโรบที่ไม่สม่ำเสมอความละโมบเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่นี้ เป็นการปฏิบัติอันเป็นทุกข์เป็นการปฏิบัติที่น่ารังเกียจเมื่อการปฏิบัติที่อันเป็นทุกข์ปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นก็จะเข้าถึงคติอันเปนทุกข์คติที่น่ารังเกียจก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบัตินโลกเนี่ยตรงนี้เป็นน่าเราจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วคติเนี่ยอันเป็นทุกข์คติที่น่ารังเกียจมันรอเราอยู่นะถ้าเราปฏิบัติอันเป็นทุกข์ปฏิบัติที่น่ารังเกียจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไอ้ตรงนี้เปป็นนัััญหาของสตว์โลกกเป็น เวลาทั้งหมดเหล่านี้ก็ไปขับเน้นที่ข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคไม่ตใช่ไหมแต่ตรงนี้เราต้องรู้ไว้เรารู้จากกิเลสเนี่ยรู้ไว้เพื่ออะไรรู้ว่านี่เป็นสมุทยัยสัจจะทีนี้เวลาเราจะศึกษาอกิเลสมันเกิดที่ไห น, ก, ก, ไหนก็เกิดที่ใจนี่แหละเกิดที่กระแสะชีวิตเนี่ยทีนี้กระแสะชีวิตมันดําเนินติดต่อต่อเนื่องตลอดสภาพใจิตใจที่มันเกิดติดต่อต่อเนื่องอุปกิเลสมันก็สายเกิดในสภาพใจิตใจที่เกิดสืบต่อต่ อ, ตอเนื่องถ้าเราไม่ฉลาด ไม่รู้วิธีการยุ่งเลยนั้นเนี่ยนั้นเราก็เลยมาศึกษาทั้งหมดเลยแล้วศึกษาทั้งรูปธรรมศึกษาทั้งนามธรรมได้ทราดใ น, นกลุ่มนามธรรมเนี่ยแล้วก็ศึกษาที่บอกว่าการปฏิบัติเป็นทุกอาการปฏิบัติที่นาหลังเกียรที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรเพรา ะ, ะร พ, พิชชาวิสมาโลภาความโลภที่ไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นแล้วก็พยาบาทความไม่พอใจโกธาความโกรธอุปานหาหการผูกโกรธมารขาดลบหลู่คุณท่าน ปราสาตีเสมออิสาความริษยาเมฉริยะความตนิมายาก็คือเจ้าเรเนี่ยสารทยะความโ อ, โอททำผ้าหัวดือ้อสารัพัดแข่งดีมานะความถือตอนติมานะโดมินเขามาท่ากมัวเมาประมาท่าความประมาทการขาดสติเกิดขึ้นอุปกเกเรเหล่า น, นี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจปุ๊บในชีวิตจิตใจปุ๊บการปฏิบัติอันเป็นทุกการปฏิบัติที่น่ารังเกียจก็เกิดขึ้นเนี่เป็นการมิเลกปฏิบัติผิด กายทุจริตวิจีตุจริตมโนทุจริตก็ตามมาเมื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นทุกข์ปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นแล้วก็มีคติอันเป็นทุกข์คติที่น่ารังเกียจก็หลอรับแล้อันเดียวกันกระแสทุกขติกระแสทุกขติมี2ความหมายนี่แหละการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจหรือคติอันเป็นทุกข์คติอันน่ารังเกียจนี่มันก็รออย่างนี้ตรงกันข้ามถ้าศีลสมาธิปัญญาเกิดถ้าเราประพฤติในมรรคนะขับเน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญา ไปที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสมาสติสมาสมาธิพฤติกรรมทางกายทางวาจาใจของเราเนี่ยพฤติกรรมที่เป็นไปกระสีสภาพจิตใจเป็นไปไปกับสมมาวายมะสมมาสติสมาสมาธิทัศนคความเห็นเป็นไปกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะปุบอันนี้เป็นการปฏิบัติอันเป็นสุขการปฏิบัติที่ไม่ที่ทีที่ไม่น่ารังเกียรและเราก็จะเข้าถึง คติอันเป็นสุขคติที่ไม่น่ารังเกียจใช่ไหมเนี่ยเป็นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานั้นที่สุดจริงๆก็มาประชุมในข้อสุดท้ายคือมรดกเราจะดําเนินกระแสชีวิตยังไงที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาให้ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญายังอยู่ในตาํารายังอยู่ในตัวหนังสืออยู่หรือยังอยู่ในแค่ความทรงจําได้ความเข้าใจเป็นครัง้งคราวๆอันนี้ไม่ปลอดภัย ตราบใดเรายังไม่สามารถทําศีลสมาธิปัญญามาประชุมไว้ในกระแสชีวิตที่ว่าควรน้อมเข้ามาใส่ตนนีมันมีศัพท์ว่าไงเออควรน้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยพระธรรมเนี่ยธรรมะในที่นั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมควรน้อมเข้ามาให้อยู่ในกระแสชีวิตจิตใจของตัวเองให้ตลอดเวลา แล้วก็ออกไปให้เข้าไปจนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพให้มีตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมต่าสัมมาชีวะเป็นตัวกํากับโอชัดเลยสภาพจิตใจแทนที่จะให้ตัวอุปาเลสเข้ามากุ้มรุมก็ให้สัมมาวยมามาสัมมาสติสัมมาสมาธิมากํากับซะเลย ทัศนาความเห็นก็ให้สมาธิที่ความเห็นชอบสมาสังกปะมาเป็นตัวขจัดขัดเกลามาชําระถ้าเราใช้บอกว่าน้ําในภาษาศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธิฐีสมาสังกปะนี่เป็นน้ําคือปัญญาเนี่เป็นน้ํามาชําระความเห็นผิดให้ถูกน้ําคือสมาวิมารสมาสติสมาสมาธินี่อันนี้มาชําระจิตใจที่โสกปกด้วยอุปากริยานี่ให้สะอาดหมดจดแล้วก็ ใช้สมาวจารสมารกรรมต่าสมาชีวะเนี่เป็นน้ําคือตัวศีเนี่ยมาชาําระพฤติกรรมที่เป็นไปกรกายทุตจิตทุจริตมโนทุจิตเออแล้วก็อาชีวที่ไปบริสุทธิ์ก็มาชาําระให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมาอาบน้ําในาศาสนานี่เถอะน้ําก็ไปเชื่องศินสมาธิปัญญานี่แหละการอาบน้ําข้างนอกอาบยังไงจะไปสะอาดได้ยังไงใช่ปะเพราะความสกรปรกเนี่ยมันคือตัวอุปกิเลย กายะมันก็ออกมาเป็นกายเทุจริตวิจิตทุจริตละมโนทุจริตฉะนั้นควรจะน้อมเข้ามาใส่ตนก็แปลว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถทําศีลสมาธิปัญญาให้มาอยู่ในตนเป็นเนื้อเป็นตัวได้เมื่อไหร่พฤติกรรมที่ออกไปทางกายทางวาจาและสภาพจิตใจเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญามันโอ้ประสบความสําเร็จและตอนนี้เรากําลังน้อมเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดติดต่อต่อเนื่องให้มากที่สุดนะถ้าเกิดได้ยาวเท่าไหร่โอ้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม กิดติดต่อเดี๋ยวมันหลุดด้วยการเผลอเลอขาดสติก็กำกับดึงมาใหม่ดึงสีนสมาธิปัญญาน้อมเข้ามาใส่ตน บ, บ่อยบน้อมเข้ามาใส่ตน บ, บ่อยบโอปัญยิโกน้อมสีนสมาธิปัญญาเข้ามาใส่ตนเมื่อได้ศีนสมาธิปัญญาแล้วนัเข้านกเข้าเขาจะทําตนเองให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกจะได้เข้าถึงพระนิพพานเป็นต้นเหล่านี้ได้ถัดมองอย่างนี้เป็นการปฏิบัติยากไหม อยากไปยากเริ่มมองเห็นแนวทางการปฏิบัติได้ยังเห็นไหมโดยส่วนใหญ่เราน้นว่าการปฏิบัตินี่มันจะยากใช่ไหมในความรู้สึกของเราใช่มจริงจริงมันอยู่ตรงไหนการปฏิบัติของเราอยู่ตรงไหงนอยู่ตรงไหนฮะเราจะเริ่มยังไง เริ่มยังไงวิธีการแการที่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเริ่มยังไงบำเริ่มยังไงเราจะเริ่มยังไงที่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเริ่มยังไง <c oughs> เริ่มยังไงดีถึงเรียกว่าการปฏิบัติมันดําเนินหรือการปฏิบัติไม่ดาเนินการปฏิบัติอันเป็นทุกข์มันดําเนินการปฏิบัติที่น่าลังเกียจมันเกิดขึ้นเป็นยังไงเวลาอภิชาวิสมาโลภะความโลภที่ไม่สมเสมอเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นการผูกโกรธเกิดขึ้นมาน่าเกิดขึ้นอติมาน่าเกิดขึ้นการดูหมิ่นเขาเกิดขึ้นการตีเสมอเกิดขึ้นการยกตนข่มท่านเกิดขึ้น อิจฉาเกิดขึ้นมัฉริยะเกิดขึ้นมายาทั้งหลายเกิดขึ้นสารำพระธำพระหัวดื้อเกิดขึ้นเนี่ยในขณะ น, นี้ในขณะที่กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเนี่ยการปฏิบัติอันเป็นทุกข์การปฏิบัติที่น่ารังเกียจมันดำเนินได้ยังดำเนินได้ยัง ท, งทั้งๆที่นั่งอยู่เนี่ยชื่อว่าปฏิบัติได้ยังเป็นการปฏิบัติที่เป็นทุกข์ปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดได้ยังเกิดแล้วนี่ไงเป็นการนี่เราน้อมอะไรเข้ามาน้อมกิเลสมาใส่ตน ถึงแม้เราจะนั่งอยู่เฉยๆเขเรียกว่าปฏิบัติอันเป็นทุกข์ปฏิบัติที่น่ารังเกียจเกิดขึ้นแล้วอ้าวทำไงต่อแล้วเราจะทํำยังไงเราถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นทุกข์เป็นการปฏิบัติอันเป็นสุขปฏิบัติที่ที่ไม่น่าเป็นการปฏิบัติที่น่ารักเกิดขึ้นเป็นภาษาพูดนะจะทำยังไงที่มันเกิดขึ้นจริงๆทํำยังไง ต้องทำส ม, มาทิฏฐิความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นไหมทำยังไงวิธีการอาตอนเนี้ยตอนในขณะที่ฟังอย่างมีกิเลสเกิดไหมไม่ในขณะที่ฟังเนี่ยอภิชาวิสมาโลภะเกิดหรือว่าศีสมาธิปัญญาเกิดเกิดไหมตอนเนี้ยตอนนี้เมตตาเกิดขึ้นไหมคารุณาเกิดขึ้นไหมสามารถน้อมให้เกิดขึ้นได้ไหมตรงเนี้ยเอาเอาศรัทธาก่อนมีความเชื่อมั่นในบรัชนาตรายัยห เชื่อมั่นแนวทางนี้ไหมว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงการดับทุกข์ได้เชื่อมันม่นไหมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราเร า, เราสะเราเอากิเลสมาเกิดขึ้นในตนเองมันทําไมง่ายจังทำไมถึงง่ายจังแต่เวลาจะให้กุศลเกิดขึ้นในตนทําไมถึงยากจังเป็นความยากเย็นไหม เริ่มมองเห็นหว่าจริงๆแล้วในขณะที่เรานั่งอยู่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิหรือมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นการปฏิบัติอันเป็นสุขการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจมันเกิดแล้วถึงสมาธิปัญญามาเริ่มดําเนินไปแล้วแล้วก็มีจุดหมายมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าเราจะทํากระแสชีวิตของตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงซึงความดับกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ลักษณะอย่างเนี้ยเราก็ต้อง ฝึกให้มันมีให้มันเกิดขึ้นมาก็ควรน้อมเข้ามาใส่ตนให้บ่อยเราเรามีเจตนาความตั้งใจมุ่งมั่นเลยไหมว่าในก่อนออกพรรษาเนี่ยเราจะฝึกออในการที่จะเจริญกุศลให้กุศลมาเกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องให้นานที่สุดแล้วถ้ากุศลมันหลุดหายไปก็จะพยายามดึงกลับมาใหม่ให้ติดต่อกันจะไม่เพอเลย ได้ตั้งใจแบบนี้ไหมบอมตั้งใจไหมต้องตั้งนะไอ้ตรงนี้สําคัญกว่าที่เราจะไปรู้เรื่องนู้นรู้เรื่องนี้ไอ้การไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันแล้วเนะแต่การที่จะทําให้การปฏิบัติอันเป็นสุขการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจที่มันเกิดขึ้นการน้อมกุศลที่เกิดขึ้นในตนนี่สำคัญที่สุดไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องรีบด่วนเร่งด่วนไอ้การที่เข้าไปรู้ไธรรมารทั้งหลายเลยนั่นก็ว่ากันไป แต่สวนการปฏิบัติอันเป็นสุขการปฏิบัติที่ไม่น่ารังเกียจทั้งหลายเนี่ยต้องให้มันเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกเดินในขณะเดียวกันก็ศึกษาว่าทมก็ให้มีการประพฤติปฏิบัติเป็นไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรไนะถามไหมหมดหรือยังหมดแล้วเนึ่ยถามไหมอยากรู้เรื่องอะไรอีกไหม อ่างั้นแค่นี้ก่อนีมอือสิบหกอ๋อมันมาจากโลภะโทสะโมหะนั่แหละเออก็อจริงจริงอุปกิเลสิบหกเนี่ยที่แสดงไว้เนี่ยแสดงไว้ในประสูตรอย่างในวัตถุปร ะ, ระสูตยนี่เป็นต้น ใช่ไหมถ้าในาพระพิธรรมเนี่ยก็อีกอย่างในพระพิธรรมนั้นท่านจะกล่าวถึงพวกอกุศลเจตสิกสิตัวเท่านั้นเองจะไม่มีครบสิบหกสินี้จะขยายอยู่ในพระสูตรแต่สรุปแล้วก็คืออยู่กลุ่มกิเลสทุ่านในพระพิธรรมก็จะมีกล่าวในเรื่องของโมหะอริก า, นาธธรนุทปาอุทจะโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสามาชัชเรยากุกุจจาทีนมิท้าอรกุจิกิจขาแค่14ตัวนี่เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอกุศลเจตสิก แต่ถ้าในเนี่ยเป็น16เพิ่มขึ้นมาในบรรดาเพิ่มขึ้นมาก็มีกลุ่มกลุ่มเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าโกธะเนี่ยอย่างพยาปาทะโกธะเนี่ยอุปนาหะนี่กลุ่มโทสะกลุ่มตัวโทสะเลยเนี้ ย, ยหรือว่ามานะอติมานะเนี่ยโอ้ก็อีกตัวมานะนั่นเองก็คือมานะเจตสิกนี่เป็นตัวมาทะมัวเมาหรือว่า ประมาทะก็คือประมาทอันนี้นเป็นภาวะแห่งการขาดสติเหมือนกันก็เป็นกลุ่มในด้านของอ ก, กุศลนะอ ก, กุศลนี่แหละงั้นตรงนี้ก็เป็นท่านในยะพสูตรก็กล่าวถึงอุปกิเลสเหล่านี้และท่านก็กล่าวถึงในเรื่องของการว่าใครละได้ก็จะมีพระโสะดาบันละกลุ่มไหนพระโสะดาบันก็ละพวกมายามัจฉริยะอะไรหลายเรื่อนี้นะความตนีหรือว่าลิศยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนอกจานั้นก็เป็นกองพระ สากาัดาคากะาดได้โดยการทําให้เบาบางลงส่วนบ้า น, นาคากะาดกลุ่มมานะลากลุ่มโทสะเป็นต้ น, เ, นเออขอไปพระอนาคากราดกลุ่มพวกไอ้โทสะกลุ่มพวกโลภะอภิชาวิสมาโลภะบางส่วนแต่ละได้ไม่หมดส่วนตะละได้หมดเลยจริงๆก็คือกลุ่มมานะกลุ่มโมหะทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระรหารอะไรเงี้ยเวลาส่านแสดงก็จะแสดงว่าใครละกลุ่มเหล่านี้ได้ก็จะเป็น รัฐได้จริงๆทั้งหมดก็คือพระลาหานนอกนั้นก็ทำให้ระได้บางส่วนตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นอ่าสมควรเกยวเวลาสาตุ